ไม่ใช่พูดหลอกไว้ว่าเออตอนเย็นเทศเรื่องสําคัญแล้วปรากฏว่าเหมือนกับหลอกคนพอมาแล้วอะไรหนอไม่เห็นเทศเรื่องสําคัญเอาละ่ะเพื่อรับผิดชอบคําดังกล่าวนั้นต่อไปนี้จะพูดสิ่งเนื้อเทพก็เหลือไม่มากนะักเรื่องสําคัญที่อยากจะเทศก็คือจะพูดเรื่องสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งของชีวิต เจตเทศสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งของชีวิตพวกเรามีชีวิตอะไรหนอมันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตนั้นมันมียเยอะแยะที่จําเป็นมากมายต่อชีวิตมันมีเยอะแยะเช่นอากาศหายใจอย่างนี้ก็จําเป็นสิ่งจําเป็นนั้นขาดได้ไหมถ้าไม่มีอากาศหายใจแล้วจะเป็นอย่างไรทุกคนทราบดี ขาดไม่ได้สิ่งจําเป็นมีอากาศหายใจแล้วแต่ไม่มีข้าวกินได้แต่หายใจเอาอากาศอยู่รอดไหมไม่รอดอีกเออากาศมันจําเป็นมันน่าจะทําให้เราอยู่ได้มันจําเป็นเฉพาะอย่างเฉพาะทางแต่ในเรื่องอาหารก็สุดยอดอีกเหมือนกันมันสุดยอดไปคนละทางไม่มีอาหารกินคนเราก็ตายถ้าอดหลายวันมันก็จะตายเพราะหิวนั่นแหละ ฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่ชีวิตขาดไม่ได้นะ่ะมันมีเยอะแต่จะเยอะยังไงก็ตามบางอย่างจำเป็นมากแต่ไม่ใช่จำเป็นที่สุดเสื้อผ้าก็จจำเป็นแต่ไม่ใช่จำเป็นที่สุดเงินทองแ็จจำเป็นแต่ไม่ใช่จำเป็นที่สุดแล้วอะไรแหละจำเป็นที่สุดสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นท่าทางโลก เขาถือว่าอาหารอาหารจำเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องอาหารว่าคนเราที่เรียกว่ามีชีวิตนี่ทุกคนก็จะมีร่างกายและจิตใจถ้าไม่เรียกจิตใจก็เรียกว่าวิญญาณสิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นอนันว่าพวกเรามีร่างกายกับจิตใจ จิตใจอยู่ข้างในไม่มีตัวตนมองไม่เห็นเป็นอันว่าพวกเรามีสองอย่างบางคนนั้นร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงดีจิตใจก็เข้มแข็งในความดีความงามเขาเรียกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบทั้งข้างนอกและข้างในชีวิตของบางคนร่างกายอ่อนแอสามวันดีสี่วันไข้เป็นร่างกายที่ทนทุก ทรมานนี่ร่างกายแต่จิตใจดีมากนั่นแสดงว่าข้างในไม่บกพร่องอันนี้บางคนนั้นข้างในบกพร่องข้างนอกนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงแต่จิตใจบกพร่องไม่มีคุณธรรมเมื่อไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีความดีกำกับจิตใจ เขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรเขาก็ทําไปพูดไปตามอารมณ์ตามนิสัยเพราะบกพร่องข้างในฉะนั้นบางคนนั้นเรียนสูงมากแต่ประพฤติอะไรแล้วตามอารมณ์ตามนิสัยคนก็เกลียดนี่เรียกว่าเรียนสูงแต่เอาตัวไม่รอดไม่รู้จนกระทั่งวิธีที่จะประพฤติตนให้เป็นคนน่ารักน่าเคารพ บางทีก็เรื่องก่อเล่าบ้านไม่ได้อยู่ต้องไปอยู่ในคุกเหล่านี้เป็นต้นเป็นอันว่าเรามีร่างกายกับวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารมันเป็นสิ่งจําเป็นมากในทางร่างกายเพราะถ้าขาดอาหารแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าเรียนสูงหรือต่ําไม่ว่าใครๆแหละตายทั้งนั้นทีนี้อธิบายถึงอาหารทางกาย เราอยู่ในมดลูกแม่เขาบอกว่าผู้หญิงตั้งคันนั้นเวลากินข้าวกินคนเดียวแต่กินเพื่อสองชีวิตแม่เป็นคนกินข้าวแม่เป็นคนทานข้าวแต่ย่อยเสร็จแล้วสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่พลาสมามันดูดซึมซับวิ่งตามกระแสเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆนันก็ไปเลี้ยงลูกซึ่งอยู่ในมดลูกด้วยนี่กขเรียกกินคนเดียวแต่เพื่อสองชีวิต ฉะนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งจําเป็นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิตเลยแหละเรื่องคลอดออกมาเลี้ยงดูด้วยอาหารเลี้ยงดูด้วยน้ํานมนี่ก็เป็นอาหารเป็นอาหารสําเร็จรูปฉะนั้นขาดอาหารก็เดือดร้อนนี่สิ่งจําเป็นอาหารทางกายพระพุทธเจ้าว่ากะวะลิงกะราอาหารจําเป็นมากทีนี้พระพุทธเจ้ามองลึกกว่าคนธรรมดาท่านบอกว่า เมื่อร่างกายต้องการอาหารที่ดีอาหารดีนั้นมันจะไปเสริมไปบำรุงร่างกายบางอย่างนั้นจะไปสร้างเซนในร่างกายบางอย่างนั้นจะซ่อแมแซมเซนส่วนที่สึกหรอในร่างกายสารอาหารบางอย่างนั้นจะให้พละกําลังเขาเรียกว่าสารจาพวกคาร์โบไฮเดรตสารบางอย่างนั้นจะเป็นพวกวิตามินเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างไป สรุปแล้วอาหารดีก็จะเกิดคุณแก่ร่างกายฉันใดจิตใจก็ต้องการอาหารดีเหมือนกันแต่อาหารของใจนั้นเรียกว่าธรรมอาหารธรรมอาหารพูดง่ายๆก็คือความดีนั่นเองเป็นอาหารของจิตใจคนที่ไม่มีความดีในจิตใจเช่นเป็นเจ้าขี้โลกบันห น, หนึ่งจะทุกบ่อยครั้ง โลกอยากได้นั่นได้นี่นั่นสิ่งไม่ดีบางทีโกรธวันหนึ่งหนึ่งก็จะทุกข์หลายครั้งถ้าโกรธเก่งบางทีหลงรูปหลงเสียงหลงสารพัดก็จะเดือดร้อนกับความหลงเหล่านั้นฉะนั้นจิตใจก็ต้องได้สิ่งที่ดีเหมือนกับร่างกายต้องการอาหารดีจิตใจต้องการสิ่งที่ดีเป็นอาหารสิ่งที่ดีนั้นเรียกว่าธรรมาอาหาร ทนี้ระหว่างกัลลินกราหานคืออาหารทางร่างกายกับธรรมอาหารคืออาหารทางใจสองอย่างนี้อะไรสําคัญกว่ากันพระพุทธเจ้าท่านมีญาณมีตาทิพท่านมองไกลถึงชีวิตของคนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เราหิวข้าวเราก็เดือดร้อนคนเดียวท้องร้องยอกยอกเราก็เดือดร้อนคนเดียวแต่ถ้าจิตใจของเรา ไม่มีธรรมอาหารอยู่ในใจเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วแต่โลภแล้วแต่โกรธแล้วแต่หลงไม่มีคำว่าคุณธรรมอยู่ในใจเรียกว่าใจขาดอาหารมันเดือดร้อนแก่ตัวเองด้วยเวลาใจไม่ดีตัวเองเดือดร้อนยังไม่พอใจไม่ดีก็ยังจะไปก่อกรรมทําเข็นกับบ้านกับเมืองไปขี้ไปปล่นเมื่อโลภไปฆ่าไปแกงเมื่อโกรธ หลงรูปหลงเสียงของใครแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอนหลงยศหลงสักกิ์ยิงจองหองทนงตนเหล่านี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่ากายขาดอาหารแล้วเราหิวคนเดียวไม่ได้เดือดร้อนถึงคนอื่นแต่ถ้าใจขาดทำมาหารแล้วคนกลายเป็นคนมีพิษทันที ไม่เพียงแต่ตัวเองต้องทุกต้องเดือดร้อนเพราะอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นแต่จะก่อกรรมทาเข็ญให้สังคมบ้านเมืองพลอยวุ่นวายเดือดร้อนไปด้วยแสดงว่าขาดธรรมอาหารนั้นอันตรายอย่างยิ่งไม่เฉพาะอันตรายแต่ในชาตินี้เราลองนึกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงบอกว่าธรรมอาหารนั้นสำคัญกว่ากวัวลิงกราอาหารท่านบอกว่าถ้าเราอดข้าวแล้วเราถึงกับตาย เราไม่ได้ตกนรกเพราะการอดข้าวเราอดข้าวจนเราตายสังคมบ้านเมืองก็ไม่ได้รัศมีรสายเพราะการอดข้าวของเราแต่ถ้าใจเราอดคุณธรรมไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจเลยนี่สังคมเดือดร้อนเพราะเราแน่ไม่ต้องอธิบายมากเห็นอยู่แล้วทุกวันว่าคนที่ก่อกรรมทําเข็นนั้นทําไมเขาถึงทําลงก็เพราะใจเขาไม่ได้คิดกลัวบาป ก, กลัวกรรมนั่นแหละ ตนเหตุมันหยุดตรงนั้นชายคนหนึ่งฐานะดีรูปหล่อเรียนแพทย์เก่งมากและจับคู่รักไปฆ่าแล้วก็ชำแหละเนื้อเป็นชิ้นชิ้นแล้วยัดโถส้วมทำไมถึงทำได้ก็เพราะใจดำอำมหิตนี่แหละที่ลงหนังสือพิมพ์นะมันเป็นอย่างนี้แหละขาดทัมมาหารนั้นมันเดือดร้อนเดี๋ยวนี้สังคมไทยนั้นอัตคัดขัดสนมาก ไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่จนจเฉพาะเรื่องทรัพย์สินภายนอกเท่านั้นด้านคุณธรรมนั้นก็ร้อยหรอเลือน้อยคนไม่ค่อยกลัวบาปจึงทำให้พ่อแม่ต้องปวดหัวหนักในวัดในวาคนก็ไม่ค่อยกลัวบาปในที่สุดก็ปัญหามันก็เลยมาสร้างความปวดหัวถึงในวัดด้วยต่อไปนี้จะปวดหัวไปทุกขนทุกแห่งถ้าสังคมนั้นจนธรรมะจนคุณธรรมและอย่าลืมว่า การเทศนั้นคือการทำให้คนรวยรมอาหารเทนี้ถ้าใจมีคุณธรรมมากล่ะก็สำคัญมากตายไปแล้ววิญญาณไปมีคุณธรรมดีก็อย่างน้อยก็ได้เกิดเป็นคนอีกหรือถ้าใจสูงใจประเสริฐก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าใจสูงใจประเสริฐมากคุณธรรมสูงกว่านั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมความสุขมันละเอียดเป็นชั้น สัตติรัชฌานสุขก็สุขระดับหนึ่งผิวเผินตื้นตื่ น, นระยะสั้นๆเป็นความสุขห ย, ยาบหยาบมนุษย์สามารถหาความสุขได้ละเอียดได้ยาวระยะไกลกว่าสัตติรัชฌานเพราะมนุษย์มีบุญมากกว่าสัตติรัชฌานทำยังไงตัวเองถึงจะมีความสุขไปนานๆจะต้องทําอะไรจะต้องเก็บเงินยังไงมนุษย์สามารถที่จะทําได้ดีกว่าสัตติรัชฌาน สัตว์รักชาญหากินไปวันๆไม่มีการเก็บการอมเขาเดือดร้อนมากทีนี้เทวดานั้นก็จะเก่งกว่ามนุษย์เขาจะมีความสะดวกในเรื่องการไปการมาเขาจะสะดวกในเรื่องการอยู่เขาจะสะดวกในเรื่องของสังคมของเขาพอถึงเป็นพระพรหมก็ความสุขก็ละเอียดไปกว่าชั้นเทวดาอีกเทวดาหกชั้นทีนี้พระพรหมนั้นยี่สิบชั้นแต่พระพรหมที่สามารถจะ มีรูปมีร่างได้เมื่อถึงคราวจะต้องการปรากฏตัวนั้นมีอยู่ส6บหชั้นอีกสี่ชั้นนั้นจะไม่มีรูปอันนี้พูดถึงวิญญาณของพวกเราถ้าไปทางดีก็เป็นสวรรค์เป็นพระพรหมไปถ้าทางคุณธรรมไม่ดีใจขาดธรรมอาหารก็จะไปเป็นอสุรกายก็มีความสุขบ้าง แต่ถ้าหากว่านิสัยเราจิตใจเราเลวมากวิญญาณไม่สมควรที่จะเข้าท้องของสัตว์ดิรัจฉานเช่นหมูหมาเป็ดไก่มันก็จะไปเป็นอสุรกายอสุรกายนั้นจะเดือดร้อนกว่าสัตว์ดิรัจฉานแต่ถ้าเลวมากกว่านั้นจะไปเป็นพวกเปรตแต่ถ้าเลวที่สุดจะไปเป็นสัตว์นรกนี่เป็นอย่างนั้นทางไปทางมาของวิญญาณคนเราฉะนั้นเวลาตายนี่ชีวิตเราก็แยก ร่างกายกับวิญญาณแยกกันร่างกายไม่ได้ไปเกิดฉะนั้นการที่หาเสื้อผ้าให้ร่างกายมันก็ใช้ได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะหาข้าวให้ร่างกายกินก็อิ่มหนำสำราญในชาตินี้แต่ถ้าทำมาหารในเวลาตายปปั๊บวิญญาณยังจะไปในภพในชาติต่อไปอีกไปเกิดในภพในภูมิที่ดีฉะนั้น อาตมาเห็นว่าทุกท่านก็เหมือนผู้เทศและคือพวกเรามีร่างกายกับจิตใจอาตมาพูดเมื่อเช้าว่าเย็นนี้หมายถึงคืนนี้นะจะเทศเรื่องสำคัญก็คือเทศเรื่องอาหารอาหารสำคัญที่สุดของกายเรียกว่ากวาลิงกะราอาหารไม่มีอาหารกินแล้วเป็นยังไงเดือดร้อนเป็นทุกข์ถึงแก่สิ้นชีวิตทีนี้อาหารทางจิตใจคืออะไรทำมาหารหมายถึงอะไรหมายถึงความดี เช่นฝึกใจให้มีความเมตตาความเมตตาก็เป็นความดีค้ายๆเป็นวิตามินอย่างหนึ่งของใจขาดไม่ได้ความอดทนขันติความอดทนก็ต้องฝึกใจให้มีลักษณะน้ําใจอดทนคนอดทนนั้นจะเป็นเหมือนคนที่มีเปรกจะไม่เสียคนง่ายๆจะไม่เสียเพราะการทําการพูดง่ายๆ ย, ยั้งใจเก่งฉะนั้นความอดทนก็ต้องฝึกให้เป็นคุณสมบัติ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 บารมีทั้งสิบนี้เป็นเหมือนวิตามินสําคัญทั้งนั้นของจิตของวิญญาณวิตามินไหนที่เรามีมากบางคนนั้นทานบารมีมีมากชอบให้ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ค่อยมีความอดทนขาดขันติบารมีเรื่องบริจาคทานนั้นเกง่งใส่บาทนั้นเกง่งแต่ปัญญาบารมีไม่ค่อยมีจึงคบเพื่อนก็ไม่ค่อยเลือกกินอะไรเสียนิสัยกินอะไรเสียสุขภาพก็ไม่รู้จะคิด แต่เรื่องให้ทานนกเก่งนี่เร็วมีแต่ทานบารามีมันก็ไปไม่ไหวมีวิตามินอย่างหนึ่งแต่ไปขาดอีกอย่างหนึ่งมันก็เดือดร้อนมีวิตามิน B ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหน็บชาแต่ถ้าขาดวิตามิน A สายตาจะฟ้าฟังวิตามิน A ก็มีวิตามิน B ก็มีแต่ขาดวิตามิน C จะเป็นโรคลักกะปิดลักกระเปิดเลือดจะซึมออกตามไรฟันวิตามิน a อมีหมดแต่ขาดวิตามิน D ก็จะเป็นโรคกระดูกอ่อน ฉะนั้นคนเราถ้าบา ร, รมีทั้งสิบเรามีไม่ครบบางอย่างมีพอใช้ด้านนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเช่นคนที่มีขันติบา ร, รมีนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องบา ร, รมีไหนที่เราอ่อนมันก็จะไปเกิดด้านนั้นบางคนจะบอกว่าเราก็ใส่บาตรทุกวันเราก็ขยันบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลาแต่ทําไมเราถึงชอบมีปัญหาเดือดร้อนบ่อยๆ เพราะบางทีเราขาดปัญญาบารมีก็ได้ชอบก่อเรื่องก่อราวเมื่อไม่รู้จะคิดแบบผู้ฉลาดทำอะไรไปเสียนิสัยทำอะไรไปก่อศัตรูก็ไม่รู้จะคิดนี่แหละถ้าขาดปัญญาบารมีแล้วมันก็เดือดร้อนอยู่วันยังคำ่ำจะกินเหล้าเมายาเสียสติเสียสตางเสียนิสัยเสียสุขภาพเมามาเสียงานเสียการเมามาเสียเกียรติคนก็ดูถูกมันคิดไม่ได้เรี๋ถ้าไม่มีปัญญาบารมี กินเหล้าเมายาแล้วนี่พี่น้องเราจะอายถ้าเราเป็นสามีไปเมาเหล้าเมายาแล้วนี่เมียก็อายลูกก็อายน่าจะคิดได้แต่ถ้าขาดปัญญาบา ร, รมีไม่มีทางคิดฉะนั้นขอให้ทุกคนมีธรรมาหารอย่างครบอย่าเอาความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านจะบกพร่องจะเดือดร้อนฉะนั้นที่ธรรมเทศวันนี้ ก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาลงในจิตใจของท่านทั้งหลายเป็นการต้องการเพราะธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านทั้งหลายเป็นการเทศเพราะเป็นการรับใช้พระพุทธเจ้าต้องการสร้างภบสร้างชาติให้แก่ท่านทั้งหลายขอให้ได้พบได้ชาติที่ดีในชาติต่อๆไปนี่คือความตั้งใจของผู้เทศฉะนั้นในวันคล้ายวันเกิดของอัตมาวันนี้ บุญกุศลอันใดที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาในภพไหนชาติใดก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาตมาขอให้อานาจบุญกุศลเหล่านั้นจงถึงแก่ญาติโยมทั้งหลายให้ญาติโยมทั้งหลายประสบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ไม่ว่าในชาตินี้และชาติต่อไปก็ขอให้ทุกท่านสมหวังด้วยกันทุกท่านเธอประเทศไปเมืองไหนไปซื้อกินเมืองนั้นเจ่งมากเลิกศึกษาธรรมะแล้วไม่กินหัวมันเลิกสูบโลภโทสะโมหะมันลึกๆอยู่ในใจมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะเลิกได้อย่างไรขนาดบุรีขนาดเล่ามองเห็นเห็นอยู่ยังเลิกไม่ได้นี่จะเป็นเลิกสิ่งที่มองไม่มีตัวมีตนได้อย่างไร นึกต่อไปอีกว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายนอกเข้าลงไปเลยลงแดงตายไปเลยไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันเหลือไว้เป็นคนดีบูชาพระพุทธเจ้าตามหลังพระพุทธเจ้าเราอาริยะสงฆ์ตามรอยของท่านประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาพระธรรมวินยัยช่วยพระพุทธศาสนาพร ะ, ะนงังทรงไว้สัจจะนงังสืบต่อวิชารังนังปริจติตรังเผยแพร่ให้กว้างไก ชีวิตฝากไว้พุทธสาหัตสมิทาโสวะธรรมะสาหัตสมิทาโสวะสังคัสาหัตสมิทาโสวะเป็นท่าประพูดประทำประสงประพูดประทำประสงป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของขาพเจ้าหวาไปอย่างนี้อยู่ทุกวันตอนเย็นกันหล้วจากนั้นก็พูดต่อไปว่าพุทธสาหังนิยาเทนิธรรมะสาหังนิยาเทนิสังคัสาหังนิยาเทนิสาลีรันชีวิตตั้งจิตตั้ง ข้าพระเจ้ามอบ ก, กายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพูดเฉยๆ เ, เ, เหมือนโปหกหลอกลวงทรยศหักหลังต่อพระพุทธเจ้าต้งเอาเงินที่ทีในที่สุเกาะทานซึ่งที่เคสะดวกสบายเคยกินเหล้าเมายาทานเศราซะเลิกเคยกินข้าววันละสิบผลอย่างแน่ได้กินยามแน่นเป็นคารวะขับรถไปในรถไต่เบาะมีแต่ของอยู่ของกินของแสบของนัยวยัดอะไรก็มันบวชประทานมันมดเหลืองกิน มีมากแค่ไหนก็ตามใครมาถวายมากก็ล้นสารากินวันละครเดียวจับหุบผึ่กใส่หันสำประปีหุบผึกใส่ในบาทท่านัญญาพุนเชนะัญาเป็นตังบริโภคอาหารอันเกื่ยปนกันไม่อะไรยังอัตภาพให้เป็นไปกาเมสุอันเปรีนั น, นติไม่อะไรในกามทั้งหลายบริโภคอาหารเกื่ยปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปบอกหัวซานํำเสพ ตาเมโสอันนาเปคีอนันติแปลว่าบอกว่าจานน้ำเสพกินพบวตัยแล้วนี่ก็เรียกว่าให้ทานทานหอดเสบแทนที่เสบกินลดจับเงพผึ่งสารไม่ออกพอออกเลี้ยวบังเหมือนๆโอ้ยเจไดที้เพราะว่าเห็ดวายางดีเขาหลดรองเขาปุ่นแนว่ยเสพเนวนัวแนี่วหวานเนวเข็มมโหฬหผลกระบาดโอ้ยเจไดดี้บางคนคิดอย่างนี้มันที่เสพก็ยังว่าทานก็ยังว่า ทานทานทางทา น, ทานหมาะตื้นเคลืล่นไห้รื่นคืนตูธรรมชาติความแจ็บความนัวพ่อบ่อตายหนินาะบางคนยังกลัวไม่อร่อยอกีกเอาน้าําปลาเอาซิอิ้วใส่มานะอาจารย์หนิน้ําปลาปรุงปรุงให้ยงังหระมันเอามาเราก็ลงไปหอดทองมก็เศร้ารั่วเสียบเสียบอยู่แตในข้อคันอันนี้คือดีๆนะั่คือการให้ทานท่านทั้งหลายแม้ว่าเราจะเอาเอาเอากินคนละแห่งคนละที่คนละถ้วยคนละชาม มันไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันบัาว่าจะเป็นลาบเท่าบ่าวาจะเป็นเขาลอดซองเขาปุ่นของหวานของข้าวของ ข, องของมของสมของเผ็ดของเค็มตปกองอ้วนหนอกอยู่ในท้องบ่าางเป็นว่าในท้องกเป็นหมององทองเองแทงคือถาดล่นอันดีใส่ลาบเท่าได้หมองหนีงงงง่งหมองนี้ใส่เขาหลอดซองหมองนี้ตำหมูฮู้หมองนี้เป็นทอดปลาหมองนี้เขาเม่าไม่ได้มดเมอว่าไปรวมมันเอง่งเนียอยู่ในท้องไปนั่งก็สายมันเข้าไปซะเลย นี่คือการให้ทานทานความแซ่บทานความนัวทานออกไปคอยเข้าใจไม่พูดไปพูดมาในเวลามันจะหมดและจะว่าจังไรทานมีหลายระดับทานธรรมดาให้ข้าวของเงินทองปัจจัยที่ตนเองไม่เดือดร้อนเกลียดส่วนเฟอ้อส่วนเกินที่มีอยู่ช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อสังคมบ่านเมืองประเทศฉาบตาสนะสียาพาสีให้แก่สังคมบ้านเมืองช่วยบ้านเกิดเมืองช่วยคนยากคนจน เราแข้งแข้งแรงก็ช่วยขนขนยาคนจระเนีย่ยจะมาก็ให้ทานเขาส้องเจ้าต้นให้ทานที่ละเอียดให้ทานยาว ก, กว่างเมื่อวานนี้ก็ขนไม้ไปนู่นไปสร้างบ้านในคนตาบอดบ้านนามาโปอาะอาตจมาเอาหมดสงสารเห็นคนตาบอดขึ้นไม่ว่าชาติก่อนเราก็คงตาบอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านว่าว่าแต่สงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นถามกลางที่สุดนี้ไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเดึงคนหูหนวกตาบอด ไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตรติยร์ขัทธาไม่มีผู้ใดไม่เคยสวยไม่มีผู้ใดไม่เคยขี้เลยมวนเวียนกันดีอย่างนี้เราได้เจา้าคนว่าเพราะฉะนั้นเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกขี้ถูกกุดทัทง้งกายปริจิตวิ ป, ปราชเธอจะได้ดลังเกียดเดือดชั้นลังเกียดลังงอนเึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก่อเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติ เห็นพระมหาศาลคือฮบอดีมหาศาลพระราชาผูุ้ลงเรืองโดยโพคะในแห่นแควนมหาทาวีปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือทิปสมบัติของเทวดาในไตรทศเธอจะได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนาจะได้ อ, อ่อนซอนสะอ่อนหลายเพื่อสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วคือกันแต่ชาตินี้อาถะธรรมวิวัตเตนะภอเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรม ทำกรรมได้ไม่ดีกัเลยมาทุกมายากทำมีก็ยังดีกว่าตาบอดหุ่งหัก้าได้มากกว่องแสนเอาไปเทศเอาเงินกันเทศตื้เครื่องอิเล็กทรอนให้พวกตาบอดไปหาอยู่หาขึ้นเอาเดี๋ยวก็มาไม่มีเสือ้อมีผ้าไม่มีข้าวสารเอาขนให้จัดแจงแตงให้หัวไข่เนื้อป่วยลูกไม่สบายเข้าโรงเรียนอะไรรักษาช่วยเขาฟังดีขึ้นดีเพราะว่าไม่มีบ้านนอนพอจะอยู่ได้ จะตกเคือตายไปบีฟ้าแอบไปบีพื้นบางห้องขนไปทำให้เมื่อวานให้ทานวันนี้จะพูดเรื่องว่าการให้ทานทานอย่างไรที่การให้อย่างไรที่ที่เป็นทานทานไปว่าการให้ไปให้ไม่เป็นทานก็มีนะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกามันเล่าร้องกันอยู่อย่างเงี้ยมันมาจากไหนนอกเหล่านี้เขาขังไว้ พวกเจ้าของเขาขัางไว้อาตมาก็ไปเทศให้ฟังเขาก็เอามาถวายอาตมาก็ปล่อยมันก็ร้องลัมทาเพลงมันวิมีบนของคันนังของ่ารักงูทางอิสระเซลูกลองเตียงเกย์เปิมเส้ยส้นแหลนแผ่นห้างเครื่องเติมสกุลนามวลแม่งประงบสนหอมประธรถมตัวตัวสันซตสัมสุ่มซัดสกุลนาแนวหนกหอกฮอนเห็ดอมบุนกุศลสางยายไปปันทัวกันเลอซัด ส, สิ่งเขาข้างนาเหนือให้อยู่ยันนี่ เอาบุญ อ, ญอกุศลแก่จ่ายยายปันสงสารมันเทศวันก่อนไปที่บ้านแก่นนางอำเภอดงหลวงนุ่นตำบนกกตูมไปอยู่ในป่ายี่สิบวันไปเห็นโยมขังนกกาเมาไปเห็นโยมขังน ก, นกเอี้ยงนกสลิกาขุนทองไหวก็ไปเทศในโยมฟังโอ้ยนกเขาเขาอยู่ตูมเงาง่งงงวมคว่ำทุกบ่วงเจงวยค่อนเงินค่อนคั้มซีบรืมค่อนไม่ศาสนาเจ้าหหางมีดใหญ่เปนน็นอมภาสโนอนในห้องเอเอาบัว ทุไปพูดมาโยมก็เอามาถวายเอามาปล่อยนกอยู่เดินเป็นฟุ้งฟูงนกกาเวานกเขาเป็นเลื่อยๆลื่นันวันไวเช้ามาต้องเตรียมไร่มันมันมาจับบา่าจับหัวมาแย่งกินกับมือกับจีนนี่มันเรารักมันมันก็เลยรักเราด้วยแต่ออไปที่อื่นเดี๋ยวมันตายแต่การให้อาหารแจกสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงไว้เพื่อดูความช่วยความงามเพื่อความสนุกสนานพระพุทธเจ้าการให้เฉยๆไม่เป็นทานไม่เป็นบุญ ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้เนื้อได้นังได้นมของมันอย่างเลี้ยงงูนมเลี้ย ง, งวัวขุนเลี้ยงหมูไว้ขากินเลี้ยงปลาซื้ออาหารดีๆมาให้มันล้ลอวนจะได้ขายค่าบบุญเอากระเจาว่าเลี้ยงสมุนีให้ทานอย่างนี้ไม่เป็นบุญให้ทานแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะให้เสบ่ า, บานเลี้ยงสุนักให้ทานวัตถุแก่ผู้อื่นเพราะความขั่วเช่นให้ทานแก่โจนให้แก่โจน โดยเมื่อพูนอมามีทะเลอมาใหยบอดเมื่อฉะนั้นตายว่าสัญคนเนี่เขาว่าสัญนทอดทอดดทบริบุญท่อดน่อยที่พระพุทธเจ้าว่าให้ทานเนี่ยแให้ด้วยความกลัวแต่เวลาพูดถึงเรื่องการวัตถุเป็นการให้ทานให้ด้วยความรักให้ด้วยความกลัวให้ด้วยความโกรธให้ด้วยธรรมลงก็มีมีโยมคนหนึ่งนะพอคนหนึ่งเราถามมาหอยให้เนง่ยแต่อ้ให้ด้วยความกลัวเพาะฉั้นกลัวแล้วมันจะไม่ให้ทานได้บพราะหัวเขาจะปนหัวนด้ เอาเงินมาได้บ่มาละตายได้ว่ฉันมีจะได้ก็ขนให้ไวบ่ค้านได้๋นี่เรียว่าให้ด้วยความกลัวบ่ไหนบุญพบาศไม่ได้บุญสักหน่อยเลยให้ลูคบกลัก็นี่บ่ฉันกลัวเลยจะใครท่านใหนบ่ให้ไรนี่โกรธก็ไดบ่ให้จนเลยระถึงของเวร์ดูมาแจกบ่จะเอาก็แจกมาแพ้อยู่ก็จับนักแต่ทงมาแพ้เข่าไปสว่างเมื่อที่เอาซองมายัดให้ไม่ยาดค้างเยลาคางกันหนักแต่สบายว่าฉันมากล้เยอะเพือไปไกล้บ่เทหน้าให้ทานแก่ลมคานให้ด้วยความโกรธ ยากเสียดายบุญหรือบุได้แล้วนี่ก็ได้เขาเลยพูดนว่าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อเอานมมันเนี่ยเลี้ยงไว้ดีๆก็ไม่ได้บุญเหมือนกันไม่เป็นการให้ทานให้ด้วยความกลัวให้โจรผู้ร้ายให้วัตถุด้วยความรักรักแบบไหนบ้าเนี้ให้เพื่อติดสินบนไตโต๊ะเนื้อโตะนะครับขานเจ้านายนะครับหอหอหอห อ, นะอันนี้ดีเนาะเฮอเชี่ย น, นะใครยืนให้ ใส่แต่โต๊ะชาห้าพันหกพันให้มันสะดวกสบายเอากัญชาออกง่ายเอาของนี้ภาษีเตือนไปไง่ายๆเจ้านายไม่ต้องว่าอะไรกินนํากันนะเราอย่างนี้ไม่ถือว่าโดยปบุตบาปตืมซอยกันให้ประเทศชาติบ้านเมืองคิดให้รายโบอดอย่างเงี้ยไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์จะดีให้สิ่งที่ให้ยังไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์คนหนึ่งหิวเกือบตายให้กินข้าวสักคํำสักครึ่งคําเอ้าพ่อว่าตายกินแค่มึงจะไม่เห็นเลม่ยม แห่งตื่นอยากกัาอปอีก่อนให้หนี้เพ่อจะอิ่มกับอะไรไม่จกดว่าเป็นฐานผู้เผยพูดมาเวลามันก็หมดข้อความสุขสวัสดี์โดยบังเกิดมีเขีทัพนักร้ายโดเทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน s n d a y c o m e a c สัม त ร h นัมกัจฉา त ีทั้งมนุษย